ขอหอนอบนมพระรัตนตยขออากาศประจันสมศิลป์ประจันจวัฒนาชัยแล้วก็เพื่อแต่ทำใหทุกท่านเจริญพรแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกคนก็นั่งกันตามสบายเนาะรู้สึกตัวนะีขณะที่ฟังนะดูกายดูใจของเราเ น, ะนาะขณะที่ที่เรา นั่งอยู่ตรงนี้เนาะมันร้อน <c oughs> เดี๋ยวนี้มันร้อนมากขึ้นนะร่างกายมันร้อนจิตใจของเราเป็นอย่างไรนะอตอนกลางวันเวลาอากาศมันร้อนมันอ้าวมากๆเราเคยสังเกตดูใจไหมว่ามันว่ามันโบยวาย หรือว่ามันแบบบางทีก็บนเนาะบนบนแดดบนโลกบนกุตติบนพัดลมบนอย่างอื่นไหมบางทีมันเกิดขึ้นนะถ้ามันเกิดขึ้นก็ให้เราเราเห็นมันเนาะเออมันก็อาจจะมีความคิดอย่างนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้น แต่ก็มันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าเราเอาแต่บนถ้าเราเอาแต่ตีโพยตีภายไปมองแต่ข้างนอกนะไปโทษแต่สิ่งแวดล้อมแต่มันจะมีประโยชน์ถ้าเรากลับมาเห็นตัวเองกลับมาเห็นความรู้สึกนะที่เกิดขึ้นในใจของเราว่าอ๋อลองสังเกตดูใจที่กระวนกรยมันเป็นแบบไหน ใจที่ร้อนรุ่มเป็นแบบไหนหรือสังเกตดูร่างกายร่างกายที่มันร้อนเนี่ยมันเป็นแบบไหนใจที่มันเข้าไปผสมลงด้วยเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะอันนี้เราจะได้ประโยชน์นะมันในไหนมันก็ร้อนอยู่แล้วเราเราหนีไม่ได้นะอาจจะเพียงแค่พอพอปีกมาหาที่ที่มันร้อนน้อยหนะ่อย แต่ยังไงมันก็ดีโลกนี้ไม่พ้นเราดีสภาพแวดล้อมไม่พ้นแต่เราสามารถที่จะกลับมาดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อย่างวันนี้บางทีก็ไม่แน่นะบางทีตอนกลางคืนนะวันสงการช่วงเทศกาลบางบ้านก็อาจจะเปิดเพลงเสียงดังร้องเพลงเสียงดังนะงงงงนะแต่ถ้า ใจเราคิดแบบอุตสาหนีออกมาจากบ้านนะมาอยู่ที่วัดคิดว่าจะสงบคิดว่าจะ อ, อที่นี่ชนบทจะไม่ค่อยมีเสียงแต่ถ้าเราเมัวแต่บนแบบนั้นนะมันก็จะไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าเสียงข้างนอกบางทีเราเราควบคุมเราจัดการไม่ได้แต่สิ่งสําคัญคือเรามาเห็นเสียงในใจของเรานี่ยแหละ เสียงในใจมันบ่นเนี่ยบางทีมันดังกว่าเสียงข้างนอกนะเสียงใน ใ, นใจมันบ่นนี่แหละมันมันชวนให้เราลำคาญชวนให้เราทุกกว่ากัาเสียงอยากข้างนอกมีภาดเริ่อหนึ่งท่านเคยเล่าให้ฟังตอนท่านปฏิบัติทำใหม่ๆเี่ยวกับหลวงพ่อคำเขียนก็ในหมู่บ้านก็เปิดตอนนั้นรู้สึกเป็นหนังมีหนังกลางแปลง เขมีงานบุญอะไรทักอย่างหนึ่งเขาก็จ้างหนังกลางแปลงมามามาฉายด้วยนะท่านก็เดินจงกรมอยู่เดินจงกรมอยู่ตอนแรกใจก็คิดเนี่ยแหละว่าคล้ายๆดํ า, าดคาญหนังกลางแปลงนะปฏิบัติธรรมเราก็อยากจะได้ความสงบอยากจะไม่อยากให้มีเสียงวุ่นวายใจตอนแรกก็คิดบน่นคิดโวยวายเพราะว่าเสียงที่มันดังจากข้างนอก จะพอปฏิบัติไปสักพักหนึ่งนะท่านกลับมาเห็นใจของตัวเองอืเห็นอะไรเห็นใจที่มันออกไปบ่นนั่นแหละออกไปโวยวายกับเสียงที่ดังข้างนอกนะพอกลับมาเห็นใจที่ที่บนที่โวยวายตติมันกลับมาอยู่กับตัวกลับมาเห็นว่าถ้าเราเห็นความคิดเห็นอารมณ์ของเราเองละมันก็ไม่เป็นไรนะมันก็ไม่ทุกข์ มันก็เสียงก็สักแต่ ว, ว่าเสียงนะเสียงข้างนอกเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์ก็ต่อเมื่อเราไม่พอใจอะพอเราไม่พอใจเราก็เลยบนอยู่ในใจของเรามันทุกข์ที่ตรงนี้นะพอท่านเห็นตรงนี้เออแม้เสียงข้างนอกยังมีอยู่เหมือนเดิมนะแต่การเดินจงกลมในก้าวต่อไปในครั้งต่อไปในรอบต่อไปในคืนนั้นปรากฏว่ามีแต่สตินะ สติที่เห็นกายเขาเดินสติที่เห็นใจใจตอนนี้สงบไหมใจตัวนี้มีความรู้สึกมีความคิดเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยถ้าเรากลมาเห็นเนี่ยมันมันได้ประโยชน์มากเนี่ยสิ่งสำคัญในการภาวนาเนาะเราเราจะเสียโอกาสเราจะพลาดโอกาสนะเมื่อเกิดเมื่อเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยที่จริงก็คือว่าใจเราเสียจากความเป็นปกตินั่นแหละ ใจมันนะผิดปกติพู้ใดอย่างก็คือใจมันผิดปกติใจมันเสียความเป็นปกติไปถ้าเรารู้ทันนะจิตใจนะมันก็ไม่ได้เห็นแต่จิตใจหลักเราก็จะเห็นร่างกายด้วยนะหรือแม้แต่ถ้าเรารู้ทันร่างกายเราก็จะรู้ทันเราก็จะเห็นจิตใจนะมันสัมพันธ์กันอยู่นั่นแหละนะอย่างเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะ พาสามเณรนสีมยานีไปที่สะพุงเหนืออมีวันหนึ่งเด็กกําลังจะไปเตรียมตัวไปเดินป่ามีรถไข่ไอศกรีมไอติมนะวิ่งเข้ามาในหน่วยเด็กคนอื่นๆที่เป็นสามเณรนสีมจานีเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินนะเขาก็เฉยๆนะแต่ในใจก็คงอยาก แ, แต่ไม่มีเงินก็ ก็ทำอะไรไม่ได้นะอัตมาก็บอกคนอื่นว่คนที่เป็นโยมก็บอกอย่าพึ่งซื้อนะนะประมาณนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวสมเีรจะใจแตกอย่าโวยวายนะก็มีเด็กคนหนึ่งอายุแปดขวบนะไม่ได้บวช ด, ด้วยแต่ก็มาอยู่ในค่ายด้วยนะแปดขวบนะเด็กผู้ชายนะก็นั่งอยู่ใกล้ๆอัตมานะถึงเงินยี่สิบบาท แล้วก็พูดออกมาแบบเมื่อไรจะไปเมื่อไร่จะไปประมาณว่าเมื่อไรเนรจะออกไปเดินป่าได้ทีนะประมาณว่าท่านเห็นออกไปเดินป่าเขาจะได้ซื้อไ อ, ไอติมน ะ, ะ, ะมาบอกมันก็ได้ถามว่าอยากมากไหม อ, อยากมากอยากมากเลยก็ถามว่าแล้วความอยากเป็นแบบไหนเด็กก็บอกว่ามันมันหงุดหงิด มันฟุ้งซ่านอ่มันฟุ้งซ่านมันอึดอัดในใจนลยแล้วแล้วอาการทางกายเป็นแบบไหนอ่ะเวลามันอย่างมากๆอ่ะอาการทางกายบอกมันมันอึนอดอดัดมันเหมือนมีคนมามัดมีคนมามัดตัวไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองทําตามหลวงพ่อก่อนเนาะในลองหายใจเข้าึ๊กึ หายใจออกย า, ยาวๆนะรอบหายใจเข้าอีกทนะีหายใจออกนะสามรอบนะก็พาเขาทำสามรอบคราวนี้ก็ถามเป็นยังไงบ้างตอนนี้อืมมันมันไม่อึอดอัดแล้วมนบอกเหมือนมีคนเอาเอาเอามีดมาฟันเชือกนะออกไปนะ จากตอนแรกที่เหมือนอึดอัดใจอึดอัดกายนะมันบอกเหมือนมีคนเอามีดมาฟันเชือกที่รัดเข้าไว้นะออกไปได้คือความอยากมันก็สลายไปเลยนะอ่มันก็สลายในขนาดนั้นแต่พอพักหนึ่งนะไม่นานเราก็ทําแล้วยังอยากกินไอศครมอยู่ไหมก็อยากอยู่ครับอ่แต่แต่เราก็เห็นถ้าทางมัน มันไม่กระวนกระวายมากเหมือนตอนตอนแ ร, แรกที่แบบยากมากแล้วก็แบบเหมือนสแสดงออกมาทางสีหน้าท่าทางคําพูดนะ่ะแต่พอแต่พอเขากลับมาสํารวจดูนะดูความรู้สึกของใจเป็นแบบไหนสํำรวจดูความรู้สึกของกายเป็นแบบไหนนะมันก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนมีคนละคนเลยนะแต่มันก็อย่างว่าสติมันก็ไม่ใช่ว่า มันจะอยู่ตลอดเวลานะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับนะแต่ความอยากใหม่เนี่ยมันก็ไม่ทุกเท่ากับครั้งแรกที่ที่เขาไม่เห็นนะเขาไม่เห็นตัวเองนะเพราะว่าไปแต่เพ่งโทษตัวว่าเมื่อไรพี่พี่เขาจะออกไปสัทีนะจะได้ไม่มีคนแล้วเขาจะได้ซื้อเขาจะได้สนองความต้องการของเขานะราะทีถ้าเรามีความอยากนะก็คือใจเราไม่ปกตินั่นแหละ พอใจเราไม่ปกติถ้าเราไม่กลับมาดูกายดูใจของเราเองเราก็จะคอยแต่เพ่งนะดูข้างนอกนะหรือก็บ่นแต่กับตัวเองแต่ไม่เห็นว่าตัวเองบ่นนะก็บ่นไปก็เป็นผู้บ่นนะอยู่ตรงนั้นไปแต่พอนะกลับมานะอยู่กับกรรมฐานเนาะอะไรก็ได้นะมีความรู้สึกตัวกับการหายใจก็ได้ มีความรู้สึกตัวกับการพลิกมือก็ไดนะ้หรือมีความรู้สึกตัวในการสังเกตตัวที่จิตใจเป็นแบบไหนนะร่างกายเป็นแบบไหนความรู้สึกตัวทํเขาทําให้เขาเห็นตัวเองเนะมื่อเห็นตัวเองมันก็คือนะอารมณ์ต่างๆที่ถูกเห็นมันก็สะายไปนะใจที่ไม่ปกติก็กลายเป็นใจที่ปกตนะิใจที่อยากก็กลายเป็นใจที่มันไม่อยาก นะหรือความโกรธความไม่พอใจใช่อย่างเช่นเสียงดังนะถ้าเรากำลังเห็นใจของเรานะเสียงมันจะดังก็เหมือนเดิมนะแต่ใจเรามันเลิกดังละในใจนะก็คือเราไม่บน่นไม่โวยวายภายในใจอันนี้แหละคือคือสิ่งสำคัญเนาะในการภาวนานะบางทีมันก็เจอบททดสอบนะนะเจอเหตุการณ์บางอย่างนะแต่เราอย่าได้เสีย เสียโอกาสนะมันเป็นโอกาสทองทำให้เราได้กลับมาเห็นตัวเองนะโยมนะก็ถ้าเรามันถ้าเกิดสิ่งกระทบขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจนะมันคือโอกาสในการภาวานาทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่เป็นเรื่องเสียเวลานะไม่ใช่เป็นเรื่องที่นะไม่อยากเจอถ้าใจเราคิดแต่ว่า ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นไม่อยากให้เป็นแบบนี้หรืออยากแต่เจอกับแต่สิ่งนี้ไม่อยากเจอสิ่งนี้เนะ่ะถ้าใจเราแบบนีน้มันจะเรียกว่าก็คือใจขาดเป็นขาดความเป็นปกตินั่นแหละนะแต่ถ้าเรามีสติจริงๆเนะ่ะอะไรก็ได้นะควาว่าอะไรก็ได้นะี่คือมันเป็นการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะอากาศร้อนนะก็ยอมรับความจริงว่ามันร้อนนะ มันเปลี่ยนแปลงความร้อนไม่ได้นะเออก็อยู่กับความร้อนได้นะอากาศหนาวก็เหมือนกันนะมาถึงหน้าหนาวมันก็หนาวนะก็ยอมรับความหนาวนะเราก็อยู่กับความหนาวได้หรือเราไม่สบายนะปวดหัวตัวร้อนนะเพียเมื่อยนะหรือเจ็บมากๆนะถ้าใจเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆนะ เราก็จะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะอย่างเรียกว่าความทุกข์ทางกายก็น้อยลงนะความทุกข์ทางใจเนี่ยถ้าเรายอมรับได้ทั้งหมดมันก็ไม่ทุกข์ใจนะถ้ายอมรับได้ครึ่งหนึ่งยังไงก็ทุกข์ครึ่งหนึ่งนะไม่ทุกข์ครึ่งหนึ่งละมันอยู่ที่การเห็นนะความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงเนาะนะเนะว่าเราไม่สบายเนี่ยนะ เราอย่าไปโทษนะแต่โรคภัยไข้เจ็บอย่าไปโทษแต่เวรแต่กรรมนะอย่าไปโทษแต่คนดูแลเราไม่ดีนะหรืออย่าไปโทษว่าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บแบบนี้นะถ้าเราไปโทษแต่คนอื่นคือเราก็เสียโอกาสในการภาวนานะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเรายอมรับมันเลยนะไม่ว่าจะเป็นนยอมรับมันก่อนนะยอมรับเนี่ยคือการวางใจให้เป็นปกติก่อน เมื่อ ใ, ใจเราเป็นปกติเนี่ยสติปัญญาเนาะความคิดเนี่ยเราค่อยเอามาใช้นะว่าจะรักษาแก้ไขดูแลอย่างไรนะก็มไม่ได้ทิ้งนะแต่ก็คือเราจะเป็นผู้ที่ใช้สติใช้ความคิดนะแต่ถ้าเราไม่มีสตินะนะความคิดมันบงการเราความคิดมันครอบงำจิตใจของเรานะเราก็จะบน่นเราก็จะโวยวายตีโพยตีพายนะก็คือขาดสติไปนั่นแหละนะ ดังนั้นนะเราจะเจออะไรให้กลับมามีสติก่อนนะก็ใครมีสติด้วยอิรียบทใดก็ได้นะให้รู้สึกตัวนั่นแหละนะจะด้วยกายที่เคลื่อนไหวนะหรือการเคลื่อนไหวโดยธรรมชาตินะที่มันมีอยู่แล้วลมหายใจนะหรือการกลับมาสังเกตดูจิตใจดูเวทนาที่เกิดขึ้นสุขทุกข์นะหรือว่าเฉยๆที่มันเกิดขึ้น หรือความโลภความโกรธความหลงนะมันเกิดขึ้นเราก็เพียงแค่ดูมันนะถ้ามันดูแล้วนะมันก็จะเห็นทั้งหมดเลยนะดูกายก็เห็นใจดูใจก็เห็นกายนะหยดนที่ตรงงพ่อเทียนท่านบอกนะดูกายก็เห็นจิตดูคิดก็เห็นธรรมนะดูกรรมก็เห็นนิพพานดูอาการก็เห็นปรมัตนะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะ ถ้าเราเห็นตัวหนึ่งนะก็เห็นทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่เห็นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่เห็นทั้งหมดการที่มีกรรมฐานไว้สักอย่างเพื่อให้มีการเริ่มต้นให้เห็นตัวหนึ่งเป็นหลักก่อนแต่ต้องเห็นด้วยใจที่เป็นกลางเนาะเห็นแบบสบายๆแต่ถ้าเราอยากเห็นมากเกินไปเนี่ยมันก็ปกมันก็ไม่ปกติเนาะอย่างเรายกมือนะถ้าเราแบบ อยากจะรู้มากเกินไปเนะี่ยใจมันก็เครียดนะใจก็ไม่ปกติบางทีใจที่มันเครียดนะก็ส่งผลให้ร่างกายมันเครียดตามไปด้วยใช่ไหมถ้าเราแบบตั้งใจมากเกินไปเนะี่ยทำไปนานๆนะก็ปวดหัวก็ปวดท้องก็อึดอัดก็ไม่สบายกายไม่สบายใจถ้ามันเกิดขึ้นมานะก็แสดงว่าเออมันเพ่งเกินไปแล้วเนาะเราก็ผ่อนเราก็ปรับนะ ไอ้ที่ผ่านนี่ยแล้วก็ช่างมันเนาะมันแก้ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรนะเอาใหม่นะปรับใหม่อ่ะมองไปไกลๆใหม่นะหายใจให้สบายใหม่นะหรือบางทีก็แบบอะวางมือใหม่อะทําให้มันสบายเล่นๆก่อนที่น่ะมันก็บางทีก็มาทําเล่นๆก่อนอพอคล้ายๆมันอุ่นเครื่องนะเหมือนวอร์มวอร์มไปก่อนแล้วก็ค่อยยกเป็นยังหะไง หรือบางทีเราเดินจงกลมแล้วมันมันเครียดมากอะหยุดเดินก่อนสักหน่อยอมองต้นไม้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะผ่อนคลายแล้วค่อยๆเดินใหม่อย่างรู้ตัวใหม่ทีละก้าวทีละกนะ้าวตอนไหนมันรู้สึกมันตึงเกินไปอ่ะก็หยุดสักหน่อยเปลี่ยนท่าบดหรือความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันบางทีเราทําไป แต่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะใจคิดเรื่องนี้จบไปคิดเรื่องอื่นต่อนะฟุ้งมากถ้าฟุ้งมากๆก็บางทีก็เบรคบ้างนะหยุดก่อนลองกำมือบางทีก็ชัดดีนะบางทียกมือเฉยไม่ค่คยชัดบางทีกำมือดูซิชัดรู้สึกตัวกับการกำมื อ, อแล้วก็ค่อยมายกใหม่แบบนี้ก็ได้หรือบางทีก็ ทุบขาตัวเองอ่ะ ม, มันฟุ้งซ่านมากนะอะก็ลองทุบให้มันรู้ตัวให้มันชัดขึ้นสักหน่อยนะเออ ม, มันก็มันก็เรียกสติกับมานะแล้วก็ค่อยทําในรูปแบบใหม่คือบางทีเราถ้าเราดงมากๆนะแล้วไม่ค่อยเกิดสติเลยบางทีก็ต้อ ง, ต, องต้องเบรกบ้างนะก็ต้องหยุดบ้างนะแล้วก็ตั้งหลักใหม่นะพยายามถ้ามันเกิดเนะี่ยสุดโต่งมากๆเนี่ย พยายามตั้งหลักใหม่เรื่อยๆตั้งหลักใหม่เรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นความเครียดไม่ว่าจะเป็นความฟุ้งก็ดีนะบางทีมันก็เกิดขึ้นได้เราก็เออตั้งหลักใหม่นะผ่านไปได้ก็ช่างมันจะไปคิด่ ะ, ะไปคิดว่าไม่ชอบไม่น่าเลยนะหรือบางทีเราก็คิดกลัวอนาคตอะมันฟุ้งมากๆานะไม่อยากให้ฟุ้งอีกบางทีก็เพ่งเข้าไปเลยมันก็เลยสุดโต่งเป็นสองด้าน นะอย่างที่เราสวดอะอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่มาสิ่งสำคัญคืออยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำในปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะความทุกข์ในอดีตนะมันก็ผ่านไปแล้วความทุกข์ในอนาคตก็ยังไม่มานะมันมีแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวแล้วก็หลงคิดนะหลงคิดถึงเรื่องราวในอดีต ก็ทุกตอนนี้หลงกังวลถึงเรื่องราวในอนาคตก็ทุกตอนนี้นะความทุกข์มันมีแต่ตอนนี้นะทุกในอดีตก็ผ่านไปแล้วทุกในอนาคตก็ยังไม่มานะมันมีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะถ้าเราหลงไปคิดมันก็ได้เกิดเป็นความทุกข์แต่ถ้าเราเปลี่ยนนะเปลี่ยนกลับมามีสติก็คือไม่คิดนะหรือถ้าหลงไปคิดแล้วเรารู้ทันว่าก็หยุดความคิด การมีสติเมื่อไหร่ที่มีสติเมื่อนั้นจะไม่คิดเมื่อไหร่ที่มีสติจิตจะเป็นปกติจิตจะว่างจากการปรุงแต่งต่างๆการว่างจากการปรุงแต่งต่างๆเห็นไมมเราสัมผัสได้ล่ใจเป็นปกติเป็นแบบนีน้ตอนที่มันไม่คิดก็คือมันไม่ทุกข์ตอนที่มันไม่ปรุงแต่งนะวิสังขารก็คือนิพพานนีนิพพานเช่นี้ก็คือวิสังขาร ไม่มีการปรุงแต่งนั่นแหละก็คือเราก็ถึงนิพพานในปัจจุบันลนะคาว่าปัจจุบันนชาติเนะี่ยชาติคือตอนนี้นะไม่ใช่ชาติคื อ, อเกิดจนตายนะชาติคือที่จริงชาติ จ, จริงคือการเกิดขึ้นของจิตในขนาดนี้นะพบชาตินะฉรามรณะโสกรปริบเทวทุกข์นะก็คือมันเกิดพบเกิดชาติเกิดทุกข์ตอนนี้แหละ ถ้าเรามีสติเราก็ดับทุกตอนนี้ทันทนะีไม่มีอะไรมากกว่า น, นีนะ้เพียงแต่ว่ามันก็ทำทีละขณะทำทีละขณะทำทีละขณะนะนะตอนไหนปฏิบัติ ด, ดีนะมันก็ไม่ต้องมีใครมาบอกนะก็ขยันทำแต่ตอนไหนมันมันเบื่อมันฟุง้งมันขี้เกียจมันลำคานะ่ะไอตอนนั้นก็ต้องปลุกตัวเองนะก็ต้องหาอุปายปลุกตัวเองนะ่นะขยันนะ ขยันทำความเพียรไม่ว่าสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะก็ดูมันไปแต่พื้นๆนั่ น, นแหละบางวันดีบางวันไม่ดีเช้าดีบ่ายไม่ดีมันเลือกไม่ได้นะบางทีสภาวะอารมณ์ความรู้สึกมันเกิดขึ้นมันเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าเราดูมันไปทั้งหมดนั่นแหละ ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะดีหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่ดีแต่ถ้าเราดูมันน่ะถือว่าถูกแล้วนะถูกทางแล้วแต่ถ้าอันนี้ดีเราหลงไปชอบอันนี้ไม่ดีเราหลงไปไม่ชอบอันเนี้ยก็ไม่ถูกกนะันนะนะเรียกว่าผิดทางนะก็คือมันหลงไปพอใจหลงไปไม่พอใจนั่นแหละเพราะสติปัญญานจริงๆเนะนี่ยต้องบอก นะมีสติดูกายมีสติดูเวทนามีสติดูจิตมีสติดูธรรมนะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อันนี้คือจุดหมายนะที่สำคัญนะไม่ใช่เห็นไม่ใช่บอกว่าเห็นแต่ก็ยังชอบอยู่เห็นแต่ก็ยังไม่ชอบอยู่อันนั้นไม่ใช่นะแต่ถ้าเห็นมันก็ต้องถอนความพอใจและความไม่พอใจได้ ในขนาดนั้นนะในขนาดนั้นแต่มันก็อาจจะมีเหตุให้กลับมาพอใจไม่พอใจใหม่อีกอมีเหตุให้อยากอีกมีเหตุให้โกรธอีกอก็ไม่เป็นไรเราก็เห็นใหม่เห็นแล้วมันก็ดับไปทีละขณ ะ, ะเห็นแล้วก็ดับไปทีละขณะอันนี้คือเราก็เพียงแค่ขยันทาแบบนี้ให้มันมากๆเนาะทำให้มันต่อนเนื่องอย่าได้เบือ่อให้มีความพอใจในการปฏิบัตินะ อย่าไปหวังนะความสุขจากผลของการปฏิบัตินะบางทีนักปฏิบัติธรรมเนี่ยคือไปหวังนะหวังผลสำเร็จนะตอนที่เราจะเห็นเราจะเป็นเราจะได้อะไรถ้าเราไปคิดหวังนะมันก็ตอนที่ทำเนี่ยมันก็ทุกข์เพราะเราคิดว่าตอนที่ทำเนี่ยมันลำบากนะมันยังไม่เกิดผลเนี่ยมันจะทุกข์ใจแต่ถ้าเรามีความสุขในการทำนะ มีความสุขในการทำเหตุมีความสุขในการภาวนาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมาล้วก็ล้วก็สนุกในการดูสนุกในการรู้ไปเรื่อยนะมันก็จะเห็นว่าที่จริงเหตุกับผลที่จริงอยู่ด้วยกันนะเราทำเหตุตอนนี้ได้ผลตอนนี้นะไม่ต้อง่ารอไม่ต้องมาร อ, อ, ารอเราจะได้นั่นได้นีเนนน่เป็นนั่นเป็นนี่อะไรนะที่จริงทำเหตุถูกในขนาดนี้ก็เกิดผลในขนาดนี้เลยนะ รู้สึกตัวตอนนี้ก็ไม่ทุกตอนนี้มีความสุขตอนนี้นะเ น, นี่ยคือมันเป็นมันเป็นเหียเป็นผลในตัวเลยนะมันเป็นมรรคเป็นผลนะภาษ า, าบาลีนนะเรียกว่าเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานนะอยู่ด้วยกันนะไม่เห้งรอนะไม่ต้องรอมันเหมือนมันเหมือนลุกบอลนะมันกลมๆมันมันอยู่ด้วยกันนะไม่ใช่แบบปลายคนลด้านนะไม่ใช่อ่า มากคือตรงนี้ผลคือปลายสุดนะมันเหมือนห่างกันนะแต่จริงมันเหมือนมันลูกบอลที่มันกลมสัมพันธ์กันนะมันกิ้งกิ้งไปด้วยกันนั่นแหละนะมันไม่ใช่เหมือนเป็นเส้นขนานนะแต่มันคือความสัมพันธ์ที่มันมันเชื่อมร้อยกันนะเหมือนกายกับใจนี่แหละนะมันก็สัมพันธ์กันนะถ้าเราเห็นกายเราก็เห็นใจถ้าเรารู้ทันใจเราก็รู้ทันกายเหมือนกันนะ นะี่ยคือสติปฐานว่าแต่เราพยายามฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยนะฝึกได้เท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นนะแต่เพียงแต่ว่าเราก็ขยันในการภาวนาแล้วก็อย่าไปคิดว่าสิ่งต่างๆเป็นอุปสรรคนะถ้าเราเจริอสติจริงๆเนะี่ยเราจะไม่มองสิ่งต่างๆวนนั้นเป็นอุปสรรคนะนะแม้แต่นิวรณธรรมทั้งห้าประการนะ่ะถ้าเรา มองเรื่องการทำสมาธินะความง่วงเป็นอุปสรรคในการทำสมาธิความฟุ้งซ่านเป็นอุปสรรคในการทำสมาธิแต่สัสติจริงๆนะนี่วรณธรรมเนี่ยคือทำมารมอย่างหนึ่งเลยนะเราสังเกตรู้ทันเอ่ก่อนที่มันง่วงเป็นแบบไหนขนาดที่มันง่วงเป็นแบบไหนขณะที่มันหายจากความง่วงเป็นแบบไหนอเราจะเห็นก่อนก่อนที่มันจะคิดเป็นแบบไหน ขนาดที่มันคิดอยู่เป็นแบบไหนขนาดที่ความคิดดับไปเป็นแบบไหนนะขนาดที่เกิดความชอบหรือความไม่ชอบเกิดขึ้นจิตใจเป็นแบบไหนเราจะเอาสิ่งต่างๆเนะี่ยมาเป็นตัวศึกษานะมาเป็นบทเรียนมาเป็นครูในการสอนนะเราจะได้ประโยชน์ตรงนั้นแหละนะเมื่อเราเข้าใจนะทีละเรื่องทีเรื่องทีเรื่องไปมันก็เหมือนเหมือนเราเรียนนะกว่าเราจะจบ มหกกว่าเราจะจบปริญญาเนาะเราก็ต้องเก็บหน่วยกิต <c oughs> ใช่ไหมเก็บหน่วยกิจทีละวิชาทีลภาคนะเก็บไปเรื่อยๆนะพอถึงกําหนดที่อาตามเกณฑ์เราก็จบหลักสูตรวิชาทางโลกทางธรรมก็เหมือนกันเราก็ต้องเรียนรู้นะะเราก็ต้องเรียนรู้จักเรื่องความโกรธเป็นแบบไหนเรียนรู้จักเรื่องความอยากเป็นแบบไหนเรียนรู้จักเรื่องความหลงเป็นแบบไหน เรียนรู้จักเรื่องความง่วงเป็นแบบไหนเรียนรู้จักความไม่พอใจเป็นแบบไหนแบบนี้นะคือเราก็อะไรเกิดขึ้นมาเราก็เรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของใจนั่นแหละทำไมพระอาจารย์บอกว่าทุกข์คือสิ่งที่ต้องรู้ถ้าเราไม่รู้ทุกข์เราก็จะไม่รู้เหตุของความทุกข์เราก็จะไม่รู้วิธีที่จะดับทุกข์เราก็ทำความดับทุกข์ให้แจ้งไม่ได้ดังนั้นอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ย ถือว่าถูกแล้วเรามาถูกทางแล้วมันเห็นน่ะก็คือถูกทางละแต่ถ้าเราไม่เห็นเราไปเป็นเราไปบ่นเราไปหนีมันน่ะคือว่าเราผิดทางนะเราคือเราหนีทุกข์เราไม่อยากเรียนรู้ทุกข์เราไม่ยอมรับความทุกข์เนี่ยถือว่าเราผิดทางนะแต่ถ้าเรารู้ทุกข์ดูทุกข์เห็นทุกข์เข้าใจทุกข์นะมันก็จะพ้นจากทุกข์ มันก็ไม่เป็นทุกข์อันนี้ยแหละคือสิ่งที่ถูกทางแล้วที่จริงการพ้นจากทุกข์นั่นแหละก็คือสุขก็อยู่ตรงนั้นสงบก็อยู่ตรงนั้นนะเบิกบานก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะมันเป็นภาษาเฉยๆนะแต่ถ้าเราภาวนาเราก็จะได้สัมผัสนะกับภาษาภาษาธรรมบางทีภาษาพูดมันก็บางทีก็พูดไปใกล้เคียงบ้างไม่ใกล้เคียงบ้างนะมันก็มันเป็นสภาวะธรรมนะ แต่ถ้าใครเขาถึงสภาวะธรรมแล้วก็ก็ย่อมเข้าใจนะนะด้วยตัวของเราเองนะั่นแหละนะปัจจตังนะเข้าใจได้ด้วยตัวของเราเองสัมผัสได้ด้วยตัวของเราเองเป็นสิ่งที่เรารู้ด้วยตัวของเราเองอันนะี้เราก็จะเกิดความมั่นใจเราก็จะเกิดความนะอุ่นใจนะว่าเรามาถูกทางแล้วว่าเรามีที่พึ่งแล้ว ว่าเราดูแลตัวเองได้แล้วนะหรือบางีก็บอกก็มั่นใจในการบอกคนอื่นได้เหมือนกันนะเพราะเป็นสิ่งที่เราได้ทํามาเองไม่ใช่สิ่งที่เราจํามาพูดอะไรนะนะเราก็มีความมั่นใจนะเกิดความเอาเรียกว่าองอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้จะอยู่กับใครก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเป็นสภาวะนะเป็นผลของการปฏิบัติธรรมซึ่ง พวกเราทุกคนก็ทําได้เนาะก็ขอให้นะพวกเราทุกคนทุกท่านเนาะก็ขอให้จะเดินในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปจนท่านเข้าถึงมรรคนิพพานโดยการทุกคนทุกท่านด้วยเทิน